อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการธรรมารับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งก็ออกอากาศสดจากทางกรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วก็ลิงเชื่อมสัญญาณนะคะหมายถึงเชื่อมโยงสัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ คิดว่าเป็นส่วนใหญ่นะคะทั่วประเทศทีเดียวค่ะเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตื่นขึ้นมารับอรุณในเช้า ว, วันนี้ซึ่งเป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่ 26, สิงหาคมนะคะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้ววันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ํข้าเดือน 9, กนะคะก็ถือว่าเป็นวัดดีวันหนึ่งของเดือนนี้ทีเดียวนะคะเราก็นำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมักการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลนอนหาโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็เลยนะคะซึ่งพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนั้นท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมาระบุรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแล้วท่านก็ยังเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมฤกเล่นตามพุทธโอทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจําทุกเดือนด้วยนะคะที่วัดป่าดอนหโศกก็จะมีการ อบรมปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อด ร, อรสะอาดทิโตโภโซค่ะหรือพระคุณสิทธิพภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะกลับน้มัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจชิญพานสาธุเจ้าค่ะที่คุณเพลินใจพูดเมื่อสกักครู่เกี่ยวกับวันดีอะนะเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งก็อันนี้ก็สอดคองพระพุา ท, ที่บอกว่าวันไหนเนี่ยถ้าเรามีกายวาจาใจอันเป็นกุศลวันนั้นจะดีมากอืวันนั้นดีมากเพราะฉะนั้นถ้า เป็นวันขึ้นเก้าข้ามเดือนเก้าหรือว่าแป่ข้ามเดือนแปดหรือว่าเดือนไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากายวาจาใจเราเป็นกุศลใน ว, วันนั้นดีมากๆเลยอย่างวันนี้เป็นตน้นเจ้าค่ะเราต้องพยายามทำกายวาจาใจให้เป็นกุศ ล, ลตลอดทั้งวันนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรามาคุยกันต่อนะเจ้าค่ะเมื่อว า, านนี้ก็ได้พูดถึงคืออาทิตย์ก่อนหน้านี้พระอาจารย์ภยบูลก็ได้เมตตาที่จะพูดถึงเรื่องของ ทิศ ต, ต่างๆนะเจ้าคะ่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็เมื่อชาเมื่อวานนี้ก็พูดถึงทิศบื้องซ้ายคือเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนซึ่งโยมคิดว่าเป็นประโยชน์แกท่านผู้ฟังทั้งบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ตัวโยมเองก็คิดว่าเรามีอะไรตามที่พระอาจารย์คุยนะเจ้าคะ่ะโยมก็จะนึกว่าเออเรามีอะไรผิดพลาดไหมหรือเราจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อว่าเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรแท้เป็นกาลยานมิตรของคนอื่นเขาอยากมาโคบราวนะเจ้าคะ่ะถูกต้องเจ้าคะ่ะตอนนี้วันนี้เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าสัญญาว่าจะพูดถึงทิศ อ่าเบื้องบนเบื้องล่างแล้วเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็นิมนเลยนะเจ้าคะเออพอเราได้พูดถึงทิศด้านขวางทั้งหมดแล้วคือด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านหน้าย้ำอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของมาดาบิดาด้านขวาก็เป็นครูบาอาจารย์ด้านหลังก็เป็นคู่ครองของเราด้านซ้ายก็เป็นมิสหายนี่คือทิศด้านขวางทั้งหมดอ่าคือที่เราอาจจะเจออยู่บ่อยๆต่อไปพุทธิชาติได้พูดถึงทิศเบื้องล่างนะคือ กรรมกรนะคือหมายถึงว่าลูกน้องของเราธนะาตกรรมกรลูกน้องของเราเนี่ยเราต้องมีหน้าที่กับเขานะโดยการที่ปฏิบัติตามฐานะอย่างนี้ก็คือว่าด้วยให้ทํางานตามกําลังนะแล้วก็ข้อที่2ด้วยการให้อาหารและรางวัลนะข้อที่3ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้อธิบายนิด น, นึงก่อนเลยนะด้วยการาให้ทํางานตามกําลังเนี่ยหมายความว่าความสามารถเขามีเท่าไหร่เราก็ให้ทําตามนั้นนะคือบางคนเนี่ย ทำงานไปทำงานไปในอย่างกรณีของการบินไทยอย่างเงี้ยก็มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช่ไหมมาทำงานทไปทํางานไปออามีลูกมีลูกแล้วท้องก็โตก็ทํางานข้างบนไม่ได้ก็ต้องปลดระบางลงมาทํางานข้างล่าง น, นเงินเดือนอัตรากําลังก็อาจารย์ลดลงหน่อยหนึ่ง น, นี่ก็เป็นลักษณะของการให้ทํางานตามกําลังอคนะืคือบางคนอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยอายุมากขึ้นหรือว่าประสิทธิภาพในการทํางานลดลงเราก็ต้องเลื่อนตําแหน่งเขาลง ในการให้ทํางานที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่บางคนเจ็บป่วยอย่างข้าราชการบางคนอย่างเ ง, ง, าา ง, งี้ยที่พอป่วยแล้วเป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปเปลี่ยนงานให้ทำได้ที่ทํางานได้น้อยลงไปได้มีความเครียดมากนะอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นพอพอทำงานตามกําลังอย่างนี้แล้วนะพระพุทธเจ้าก็ยังได้อธิบายถึงต้องให้อาหารได้รางวัละให้อาหารรางวัลเนี่ยก็คือให้ค่าจ้างนั่นเอง ค่าจ้างนี่ก็ต้องให้ตามกําลังเนื้องานที่ที่เราทําเพราะฉะนั้นถ้าคุณทํางานที่ลดลงอคนะ่าจ้างก็ต้องลดลงอย่างนี้นนะเจ้าค่ะหรือว่าจ้างเขาแค่นี้ก็ไม่ใช่ว่าไปชายเขาซ จ, จนเกินไปใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่แรงงานทาสแบบนั้นก็กผิดศีลธรรมเหมือนกันจะไม่ถูกหน้าที่ของของนายของคนที่เป็นเจ้านายเจ้าค่ะทีะนี้คนที่เป็นเจ้านายเนี่ยมีหลายๆคนเคยมาถามอาตมาคุณเฉยชัว่า ้ลูกน้องผมเป็นอย่างนี้ลูกน้องดิฉันเป็นอย่างนี้แล้วนะทำยังไงดีมันไม่ดีเลยเราจะทํายังไงแล้จะไล่ออกนี่จะผิดศีลไหมหรือเราควรจะทําหรือไม่อย่างนี้นะก็คือว่าเราก็ต้องให้เขาทํางานตามกําลังอ่นะแต่ถ้าความสามารถเขาไม่ถึงความสามารถเขาไม่ได้เราก็ต้องให้เขาไปทํางานตามกําลังที่อื่นอ่นะอืมเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเชิญออกไปอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะก็ก็ต้องเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าเราต้องดูตามนี่ไงคือไม่ใช่ว่าเราไม่อนุเคราะห์นะเราอนุเคราะห์โดยการที่พูดคุย นะให้เครื่องไม้เครื่องมือทํางานอย่างอย่างเต็มที่น ะ, ะก็อย่างที่คุณเดินใจว่าไม่ใช่ว่าใช้แรงงานทาสนะเราต้องมีการพูดคุยกับลูกน้องว่าทำงานไหวไหมเอาให้เครื่องมือเครื่องไม้เพียงพร้อมเพียงพอไหมถ้ายัางทําไม่ได้อีกก็คงจะต้องให้เขาไปทําที่อื่นนะโดยการให้เขาทํางานตามกําลังที่นี่ไม่มีกําลังที่จะเหมาะสมกับเขาเอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะชดเชยเงินเขาอะไรตามกฎหมายามนะเจ้าค่ะแต่อไปก็มีหน้าที่หนึ่งก็คือว่า แบ่งของที่มีรถประหลาดให้อืมเจ้าค่ะอนี้หมายถึงว่าไงเจ้าค่ะหมายถึงว่าซื้ออะไรมาฝากให้กินกันอย่างเจ้านายไปต่างประเทศมาะซื้อขนมเปี๊ยะอะไรที่มันอุ้ยประหลาดประหลาดนำมาให้ลูกน้องกินเนี่ยลูกน้องจะดีใจมากเลยโอเจ้านายยังคิดถึงเราอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแบ่งของที่มีรถประหลาดให้แล้วก็ข้อสุดท้ายนี่ปล่อยให้อิสระตามสมัยอนนีหมายความว่าอะไรเจ้าค่ะก็มีวันหยุดให้ไงนะมีวันหยุดให้ นะแล้วก็มีเวลาพักผ่อนให้เวลาเที่ยงอะ่ะคุณอย่าไปจิกเรียกเขานะหรือเวลาเลิกงานแล้วคุณถ้าไม่สําคัญจริงๆอย่าไปจิกเขาเรียกเขามาอย่างเงี้ยก็คือคปล่อยให้อิสระตามสมัยนะตามสมัยในที่นี้ก็คือสมัยเช่นวันปัจจุบันนี้เขาหยุดเสาร์อาทิตย์ปัจจุบันนี้หลังห้าโมงเขาเลิกทำงานตอนที่ยงเามีวันหยุดอันนี้ก็เป็นตามสมัยที่ปล่อยให้อิสระได้ออนะค่ะันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้านายที่จะมีต่อลูกน้อ ง, งนะจ๊ะคะ อันหนึง่งที่สําคัญมากเลยตรงนี้ที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่คือว่าด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้อันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้านายนะถ้าคุณมีลูกน้องคุณจะต้องมีระบบะเขาเรียกว่าเรื่องการรักษาพยาบาลนะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ดีของของแผนกฝ่ายบุคคลเลยทีเดียวที่ว่าควรจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปไปปฏิบัติตามหลักของบริเจ้าแตถ้าบริษัทไหนหรือหน่วยงานไหนเนี่ยดูแลลูกน้องโดยลักษณะ 5อย่างนี้นะก็คือว่าให้ทํางานตามกําลังด้วยให้อาหารและรางวัลคือค่าจ้างนะคุณจะต้องมีระบบที่จะอา่าเขาเรียกว่าวัดนะคุณภาพของพนักงานนะคุณทํางานได้แค่ไหนคุณมีเงินเดือนขนาดไหนอันนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะสข้ อ, ขอแรกนี้คุณต้องมีถ้าแผนฝ่ายบุคคลเนี่ยหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยคุณจะต้องดูตรงนี้แล้วนะข้อที่3ก็คือว่าเรื่องการรักษาพยาบาลนะสำคัญมากเลยสําหรับพนักงาน เพราะว่าเวลาคนป่วยคนไข้เนี่ยแหมไม่มีใครดูแลเนี่ยมันมันน่า น, น้อยใจเหมือนกันนะากายก็ป่วยแล้วใจยังป่วยอีกแต่เพราะนั้นถ้าเจ้านายมาดูแลรักษาเนี่ยโอจะได้ใจจากลูกน้องมากเลยทีเดียวอเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตามบริษัทหรือแะไต่างๆเนี่ยเขาก็มีระบบค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมมีประกันชีวิตมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำเนาะแล้วก็เรื่องการปล่อยให้อิสระตามสมัยนี้ก็สําคัญนะว่าชั่วโมงพักก็คือชั่วโมงพัก นะชั่วโมงที่ทำงานคือชั่วโมงที่ทํางานเราก็เริ่มให้ตรงเวลาเริ่ใ ห, รให้ตรงเวลาก็จะเป็นการดีหรือว่าถ้าทํางานมันยังต้องมีการทํางานอยู่เราก็ควรจะเป็นสิ่งที่ที่ลูกน้องเนี่ยควรจะต้องทาอันนี้จะเป็นหน้าที่ของลูกน้องที่จะค่อยพูดทีหลังอันนี้เป็นหน้าที่ <fim. S 1> ของเจ้านายที่ว่ามีเวลาให้เขาหยุดบ้างเนาะไม่ใช่ไปตามจิตเขายีิบสี่ชั่วโมงเจ้าค่ะเอข้อต่อไปเป็นหน้าที่ของลูกน้องอันนั้นก็เกินไปนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะหน้าที่ของลูกน้องนั่นก็คือว่าอันที่หนึ่งนะ เลิกเริ่มทํางานก่อนนายเป็นผู้ลุกขึ้นทํางานก่อนนายก่อนเจ้านายของเรา <Okay. S 1> แล้วก็เลิกงานที่หลังนายหนะมายความว่าคุณมาถึงที่ทํางานเนี่ยก่อนที่เจ้านายคุณจะมาแล้วก็เลิกงานหลังจากที่เจ้านายคุณกลับไปแล้วอันนี้จึงจะเป็นสิ่งที่ดีหรืออย่างน้อยนะมาก่อนเวลาที่เขาเริ่มทํางานเช่นเวลา ง, งานเริ่ม9ก้าโมงแปดโมงครึ่งนี้ยคุณควรจะมาลนะนงานเลิก5้าโมงเย็นหกนะโมงคุณคกยกลับก็ได้หรือถ้ามันรถติดมากคุณกลับสองทุ่มก็ได้นะ <Okay. S 2> น, นี่เป็นลักษณะที่ว่าเราควรจะเริ่มงานก่อนเวลาเลิกงานหลังเวลาที่มันเลิกงานแล้วนะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของของคนที่ทำงานดี <Okay. S 2> อาจจะมีคนบางคนค้านว่าเอ้ยทำไมไม่ทำตรงเวลาล่ะเริ่มตรงเวลาเลิกตรงเวลาอันนี้ก็คือเป็นเป็นหน้าที่ของออลูกน้องที่ดีนะลูกน้องที่ดี <Okay. S 2> คือหมายความว่าถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ในสายตาของเจ้านายนะเราก็จะได้รับการเอ็นดู ure, หรือว่าได้รับการที่จะ เวลามีสิ่งใดที่มันจําเป็นสําคัญเนี่ยเขาก็จะเรียกใช้คนประเภทแบบเราถ้าเรามาเป็นคนแบบนี้นะจุ๊ค่ะข้อที่สามก็คือถือเอาแต่ของที่นายให้หมายความว่าทรัพย์สินสมบัติของของที่ทํางานเนี่ยเราอย่าเอาไปใช้โดยที่เจ้านายไม่ได้อนุญาตาอย่าเอาไปใช้โดยที่เจ้านายไม่ได้อนุญาตก็ถ้าพูดอีกอย่างก็คือขโมยิปไปเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เจอกันบ่อยมากๆเลยก็คืออุปกรณ์สํานักงานเนี่ยนะ ปากกา <Okay. S 1> สมุดดินสออะไรพวกนี้ถ้าถ้าสํานักงานคุณอนุ ญ, ญาตให้เอาไปใช้ที่บ้านได้คุณก็ทําเถอะแต่ถ้าไม่ได้อนุ ญ, ญาตเนี่ยคุณก็อย่าทำํำให้มันชัดเจนก็จะได้เราจะได้มีคุณทําข้อนี้มีความสบายใจตรงข้อนี้เจค่ะ <Okay. S 1> อีกเรื่องหนึ่งที่มีคนเคยมาถามมาตมาน่ยคุณดินใจก็บอกว่า เ, เวลาทํางานเนี่ยสมมติคุณเอาเวลาทํางานเนี่ยมาดูอินเทอร์เน็ตเช็ค facebook อย่างเงี้ยประจําเลยหลายๆคนนะ เฟซบุ๊กนี่มั น, นไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ง, งานน ะ, ะก็มีนะเพราะฉะนั้นถามว่าเอ ย, อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการเอาเวลาของที่ทํางานเนี่ยมาใช้หรือเปล่านี่เป็นประเด็นเหมือนกันเจ้าค่ะอ น, นี้เป็นประเด็นที่ทันสมัยมากตอนนี้นะเจ้าค่ ะ, ะใช่ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเดี๋ยวนี้ ท, ทุกสกสํานัก ง, งานมันก็มีอินเทอร์เน็ตอะให้ลูกน้องใช้่ไหมเวลางั้นว่างๆไม่ได้มีงานทําอะไรเนี่ยลูกน้องจะเปิดเว็บเปิดอินเทอร์เน็ตที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานดูได้ไหมอันนี้ก็ถ้าโดยความเห็นอาตมานะ ก็ค<น>ิด<ก><น>ว่าไม่ควรทำนะอย่างน้อยมันไม่มันไม่มีทางที่จะไม่มีงานหรอกนะสมมุติว่างงานของเราเป็นงานต้อนรับลูกค้าอย่างเงี้ยถ้าไม่มีลูกค้าคุณจะทําอะไรอยู่เฉยเฉยไม่ใช่คุณก็ศึกษาหาความรู้ไงเอาหนังสืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเรามาอา่านการพัฒนาเทคนิค ก, การพูดเป็นต้นหรืออะไรต่างๆ เ, เนี้ยมาพัฒนาตัวเองอันนี้ก็จะเป็นการที่เกี่ยวข้องกับงานด้วยหรือว่าเอา <S <S คู่มือของสํานักงานมาอา่านนะการพัฒนาเกี่ยวกับอาจจะเป็น ผลิตภัณฑ์อะไรของบริษัทอย่างเงี้ยมาทำความเข้าใจศึกษาเราก็จะทำให้การทั้งหมายของเราดีขึ้นก็ใช้เวลาที่ถูกต้องอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่บางคนก็อาจจะคานประจานนะเจ้าค่ะว่าเนี่ยที่หาในเว็บไซต์เนี่ยก็แบบดูเนี่ยก็คือหาความรู้นี่แหละอืมเจ้าค่ะตามวิกิมีวีเดียอะไรพวกนี้เจ้าค่ะหา Google อะไรอย่างเงี้นะเจ้าค่ะถ้าถ้าถานจริงๆนะก็ทาได้นะถูกต้องนะเจ้าค่ะอืมคือถ้าไม่ใช่ว่า เป็นชีตเปแชทเว็บไซต์ของตัวเองเจ้าค่ะอะไรพวกเนี้ยอันนั้นไม่ควรทําเลยไม่ควรทำก็ทําเวลาพักเที่ยงหรือว่าเวลาเลิกงานแล้วอย่างเงี้ยก็ทําได้เจ้าค่ะถัดมาก็คือว่าอันนี้จะสอดคล้องตรงที่ว่าการทํางานให้ดีที่สุดการทำงานให้ดีที่สุดเนี่ยคือหมายความว่าทํางานที่มันดีที่สุดจนกระทั่งเขาไม่สามารถเก็บเราไว้ในตําแหน่งนี้ได้ในอย่างวิศวกรบางคนเจ้าค่ะทํางานดีมากเลยจนกระทั่งว่าโอ้คุณต้องมาเป็นวิศวกรอาวุโสแล้ว ในเช่นวิศวกรนี่นะก็แค่ทํางานแค่เขียนแบบทําตามที่เขาสั่งไปดูไซดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแต่คุณยังออกแบบได้ด้วยนะออกแบบได้ด้วยเอา้างั้นคุณมาเป็นไลฟ์วิศวกรธรรมดาออกแบบเป็นหน้าที่ของวิศวกรอาวุโสงั้นคุณมาเป็นวิศวกรอาวุโสสิ ค, คือเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาละอ่าใช่คือทําดีมากเลยนะทีนี้พอคุณเป็นวิศวกรอาวุโสออกแบบออกอะไรแล้วเนี่ยเอ้าคุณยังจัดการประชุมดูแลโปรเจกต์ได้ ควบคุมงบประมาณของโปรเจกต์ได้อา้าวงั้นคุณมาเป็นอะไรวิศวกรผู้ส่วนมาเป็นผู้จัด ก, การโครงการสิผู้จัด ก, การโครงการเนี่ยต้องดูแลเรื่องงบประมาณดูแลเรื่องโครงการตารางเวลาของโครงการใช่ไหมโอคัคที น, นี้พอมาเป็นผู้จัด ก, การโครงการแล้วเนี่ยสามารถขายของต่อได้สามารถที่จะทําเงินให้บริษัทมากขึ้นได้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาได้อา้าวแล้วคุณมาเป็นอะไร ผู้จัด ก, การโครงการนะมาเป็นผู้จัด ก, การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาเป็นผู้จัด ก, การทางด้านธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นไปคือเราทําดีจนกระทั่งเขาเก็บเราไว้ไม่ได้นะคือคือไม่ใช่ทําเกิดนหน้าที่นะหรือไปก้าวไกยหน้าที่ใครน ะ, ะ, ะแต่คือทําในหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะทำการงานของเราให้ดีที่สุดคําเนี้ยมันกินความกว้างคุณเตือนแจอาจจะกินความถึงว่าเราไปช่วยคนอื่นทํางานก็ได้ อาจจะกินความถึงว่าเราทํางานเกินขอบเขตก็ได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตที่มันดีที่สุดอะไม่ได้ว่าไปกวนใครไม่ได้ไปทําอะไรใครให้เดือดอร้อนนะนี่คือคือความหมายของดีที่สุดถ้าอาจมาจะบอกว่าไม่ทำเงินเกินหน้าที่เราก็จะพูดไม่ได้เพราะบางทีก็ต้องทํางานเกินหน้าที่แต่ในลักษณะที่ไม่เป็นการก้าวไก่คนอื่นทําคนอื่นให้เดือดร้อนนะเป็นการไปช่วยเหลือคนอื่นเขาอย่างเงี้ยทาได้ถ้าถ้าเผื่อไปก้าวไ ก, ก่คนอื่นเขาก็ไม่ดีอันนั้นก็จะไม่ใช่ทํางานดีที่สุดนะ อเจ้าค่ะและที่สําคัญโยมคิดว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไปทํางานเกินหน้าเกินตานายนะเจ้าค่ะอย่างที่เรียกว่าออฟไซด์นายอะไรอย่างเงี้ย่ะก็ก็น่าจะเป็นภัยกับตัวเราทั้งนี้แหละจะเป็นข้อที่ห้าที่พุทธเจ้าบอกว่าให้นําเกียรติรคุณของนายไปล่าเรืออเจ้าค่ะนําเกียรติคุณของนายไปล่ำเรอนะคือหมายความว่าเราทําอะไรทําะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เครดิตกับนายของเรานะคือถ้าทําเกินนายเกินหน้านายก็จริงแต่ว่าไม่ได้เกินหน้าในเรื่องของเครดิตไง ค่ะคือนายอาจจะยังไม่ได้สั่งแต่เราทําทําเรามองการกลายไปแล้วเราทําไปแล้วนะโดยที่มันเป็นข้อดีนะทำให้องค์กรดีทําให้หน่วยงานดีขึ้นมาปุ๊บแต่ว่าเครดิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ให้เครดิตกับนายของเราอย่างเงี้ยก็<า>กคือคนําเกียรติคุณของนายไปล่ำเรือเจค่ะเนะจ้ค่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกน้องเป็นหน้าที่ของลูกน้องอผู้ใต้บงังคับบัญชาที่ควรจะปฏิบัติต่อผู้บงังคับบัญชาหรือว่าเจ้านายเรานะคะใช่เจ้ค่ ะ, คะเวลาที่เราทํางานเนี่ยคุณนใจเราทํางานให้ดีที่สุด นะทํางานอย่างเต็มที่อย่าไปอู้งานให้ทํางานตามกําลังให้ทํางานอย่างเต็มที่นํำกิจคุณของนายไปร่ํารือเนี่ยโอ้ยเจ้านายคนไหนก็จะรักรักลูกน้องแบบนี้เนาะคือคือถ้าบอกว่าที่นี่เขาเขาไม่เห็นความดีของเราหลายหลายคนบอกว่าฉันทําแล้วแต่เนะจ้านายไม่เห็นความดีแล้วเจ้านายแกล้งแต่เนะพื่อนร่วม ง, งานก็กลั่นแกล้งฉันทําดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้เรื่องโตไปไม่ได้นะให้ทําเถอะเพราะว่าอะไร เพราะว่าถึงแม้ที่นี่จะไม่เห็นเนี่ยหน่วยงานอื่นเขาก็เห็นหลาหลายๆคนเขาก็เปลี่ยนหน่วยงานนะจากในบริษัทเดียวกันเนี่ยหน่วยงานนี้โอ้ทางานไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยหน่วยงานอื่นก็ไม่เห็นว่าคนนี้ทํางานดีนะเขาก็จะดึงตัวไปแต่ถ้าร บ, บริษัทนี้ไม่เห็นบริษัทอื่นก็เห็นบริษัทอื่นก็ดึงตัวไปก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคิดดูนะคุณเตืนใจสมมุติมีคนมีคนมาสมัครงานกับคุณเดิอนใจเนี่ยแล้วก็พูดแต่เรื่องเสียเสียหายหายของบริษัทเดิม นะเจ้านายมันห่วยหวยงานก็เป็นอย่างนี้เงินเดือนก็น้อยสิ่งเรื่องก็ไม่ดีคุณเดินใจจะรับคนนี้ไหมรู้สึกจะไม่รับไม่รับแน่นอนคนะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเกียรติคุณของนายไปดํารือเลยด่ารับหลังอีดังห่างนะถ้าด่ารับหลังนี่เป็นเข้าขายประเภทที่ว่าเอเพื่อนนินหัวประจบรับหลังนินทาเป็นคนหัวประจบแสดงว่ามีสิทธิ์จะเป็นมิตรชั่วได้เราอย่ารับมันมามันไม่มีไม่มีหัวหน้าที่ไหนที่ทํางานใหม่เขาจะยกย่องเชิดชูหรือว่ารับคนที่นินทา บริษัทเดิมของตัวเองอเจ้าไม่ได้เพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเราทําดีเรายกย่องบริษัทเดิมด้วยโอ้ oh, บริษัทผมดีมากเลยแต่ที่มาสมัครใหมน่นี้เพราะมีข้อจํากัดอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยมาอย่างเงี้ยเออทให้เราเห็นว่าเออเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์อ่าเป็นคนที่ทํางานอย่างดีเอาเกียรติคุณของนายไปร่ําเรืออย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าจะรับเข้าทํางานอยู่นะอืเจ้าค่ะน่าพิจารณานะเจ้าค่ะใช่ ใ, ชใชอยู่ในเกณฑ์เนาะอันนี้ ค, คือหน้าที่ของลูกน้องนะที่ควรทํา ทีนี้ว่าหน้าที่ของลูกน้องเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นทิศสําหรับลูกน้องเองนะเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทิศเบื้องสูงนะคือทิศเบื้องบนเนี่ยก็คือเป็นจมณพราหมนะแต่ตัวของตัวเองที่เป็นลูกน้องเนี่ยหน้าที่ที่มีต่อหัวหน้านะก็คือคือไม่ใช่ทิศเบื้องสูงแต่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องมีต่อหัวหน้านะนเป็นเป็นาตามลําดับตามลําดับกันไปนะผู้ชาพูดถึงทิศเบื้องต่ําคือลูกน้องถ้าเรามีลูกน้องให้เราทําอย่างนี้ถ้าเรามีเจ้านายให้เราทําอย่างนั้น นะก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะต่อไปคือทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์นะสมณพราหมณ์เนี่ยคือหมายถึงพระเจ้าพระสงฆ์ทั่วไปนะพระเจ้าพระสงฆ์ทั่วไป อ, อ, อาจจะไม่ใช่พี่ประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมะในนี้ก็ได้นะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่ประพฤติดีเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญ า, นะา จ, จะเป็นคนในาศาสนาไหนก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญา เป็น ค, คนที่หลีกออกจากเรือนนะปฏิญญาตัวเองว่าเป็นนักบวชอย่างเงี้ยนะเราควรจ ะ, จะปฏิบัติตนกับเขาอย่างนี้เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะขอ้อแรกนะก็คือสําหรับค า, ารวาเนี่ยมีห้าอย่างนะคือหนึ่งด้วยการมีเมตตากายกรรมสองมีเมตตาวจีกรรมสามีเมตตามาโนกรรมคือมีเมตตากับบุคคลเหล่านั้นอย่างประสงค์ในธรรมบัญนี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าผู้รูาบอกว่าถอดเคี้ยวเล็บออกหมดแล้วนะถอดเคี้ยวเล็บออกหมดแล้ว อ่าเช่นว่าพระสงฆ์สมมุติไปสั่งของบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาบริษัทนั้นเขาไม่ได้ทําให้ตามประสงค์นี่ยพระสงฆ์จะไปด่าไปว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิสัยที่ควรจะทำเพราะเราถอดเกี้ยวเล็บหมดแล้วนะเราก็ไม่ด่าไม่ว่าเราก็อดทนเอาอย่างเงี้ยนะมันเป็นลักษณะที่ว่าเออไม่มีเกี้ยวเล็บแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปทําอะไรไม่ดีกับบุคคลที่ไม่มีเกี้ยวเล็บแล้วเนี่ยจะเป็นบาปมากบุคคลที่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะจะเป็นบาปมากพระพุทธเจ้าก็เลยให้ตั้ง ด้วยความมีเมตตาทางกายวาจาและใจเอาไว้เจ้าค่ะสามอย่างแรกก็คือเคารพนับถือกันจริงๆนะเจ้าค่ะมไม่ไปไม่ไปล่วงละเมิดทางไม่ว่าทางกายวาจาหรือใจเออให้เจนะ้าค<อ>ให้มีความเมตตาว่างอนกันเถอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันที่สี่นะก็คือด้วยการต้อนรับคือไม่ปิดประตูนะไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับนะนบวทเหล่านี้ก็ไม่มีพิมพ์ภัยก็ยินดีต้อนรับก็สามารถสมควรทําได้เจ้าค่ะแล้วข้อที่ห้าก็ด้วยการคอยถวายอามิสถาน อามิสทานก็คือหมายถึงก็ถวายทานที่เป็นอามิสเช่นถวายบรรจัยศีอันควรแก่สมณะจะบริโภคบ้างนะคอยไปรับไปส่งอุปถาอุปธรรมบ้างอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำห้าอย่างนี้นี้ก็เป<อ>็นสิ่งที่เราควรจะทำต่ออทิศเบื้องบนก็คือสมณะพระรามแล้วก็ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเจ้าค่ะทั้งหลายอ่าเพราะนั้นนินทารับหลังไม่ได้นะไม่ควรทำ<ม>นินทารับหลังบาบบาปนะสารณะของเราจะเสื่อม ถึงแม้ว่าท่านจะทําไม่ดียังไงก็แล้วแต่น ะ, ะพระทําไม่ดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของพระที่จะคอยว่ากล่าวตักเตือนกันเองน<ม>ทีนี้ตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มันปรากฏออกมาไม่ดีแย ะ, ยะเนี่ยนะอันนี้ให้เข้าใจไว้เลยว่าอันนี้เป็นความมาหาัศจรรย์นในธรรมะวินันี้นะคือเป็นยังไงเจ้าคะมาหาัศจรรย์ยังไงเจ้าคะพระเจ้าเปรียบเทียบกับทะเลเนี่ยทะเลมีความมาหาัศจรรย์อยู่แปดอย่างหนึ่งในแปดอย่างนั้นก็คือความที่ทะเลเนี่ยจะไม่อยู่ร่วมกับซากศพ เนี่ยเคยเห็นสึนามิพัดมาอย่างนี้ใช่ไหมคนคตายเป็นเบือเลยที่ภูกเก็ตอ่ะคุณตาใจตอนสมัยนู้นน ะ, ะแล้วก็พอตายเสร็จเป็นเบือเนี่ยโอ้เราเห็นที่ชายฝั่งเนี่ยซากศพเต็มเลยโอ้เหม็นกลิ่นคุ้งอืดโอ้เป็นภาพที่น่าเศร้าสลดมากเห็น ค, ความจริงข้อหนึ่งว่าทะเลเนี่ยไม่อยู่ร่วมกับซากศพซากศพอยู่ในทะเลไม่ได้ต้องถูกซัดขึ้นฝั่งอย่างเดียวอเจเช่นเดียวกันคนทุสีเนี่ยอยู่ในธรรมวินัยไม่ได้จะต้องถูกพัดขึ้น ออกจากธรรมวินัยนี้ไปเพราะฉะนั้นคนที่ทุกข์สีมีความเป็นอยู่เลวซ้มไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าตัวเองเป็นสมณะเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องปูดออกมาเขาจะต้องหลุดจากความเป็นพระเองเพราะฉะนั้นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยที่ว่าเออพระองค์นี้ทำไม่ดีต้องสึกพระองค์นี้ทําไม่ดีจับสึกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเลยเป็นความมาสะจันด้วยซ้ําในธรรมะในนี้ว่า อ, อบุคคลเหล่านั้นอยู่ร่วมในธรรมะวนนี้ไม่ได้ออื<ๆ>เขาจะต้องเสื่อมไปเองหลุดออกไปเอง เพราะนั้นพระที่เหลืออยู่ก็ยิ่งจะดีมากขึ้นน่ะวางกันเถอะจุ ค, ค่ะนะามจุดจุคน ค, คนไม่ดีหลุดออกไปแล้วเพราะนั้นก็ให้มีความสบายใจเลยว่าถ้าปรากฏข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระเจ้าประสงค์ออกมาเนี่ยเออคนไม่ดีหลุดออกไปแล้วจากวานเป็นพระหนึ่งคนใช่ไหมเ อ, อ่อให้ศาสนานี้มันบริสุทธิ์มากขึ้นดีมากขึ้นแล้วก็สบายใจซ้าอย่างเงี้ยจุคาอืมก็เรียกว่าต้องอนุโมทนาบุญไปนะจุคาแต่บางทีก็สมัยนี้นะจุคาโยมขออนุ ญ, ญาตพูดสักนิดเถิดจุคาประจานไม่ได้ ไม่ได้ลบหลู่พระสงฆ์นะเจ้าคะ่ะบางทีเนี่ยท่านก็มีวัดปฏิบัติที่ที่ไม่ค่อยจะจะงดงามอะเจ้าคะ่ะบางบางส่วนนะเจ้าคะ่ะจะโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ตามเมืองใหญ่ๆเญ่งี้เจ้าค่ะหลายองค์หรือว่าก็จะมีวัดปฏิบัติที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมอย่างไปขับรถบ้างหรือว่าอย่างที่โยมเห็นทางทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเจ้าคะ่ะก็จะเป็นว่าไปเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะซึ่งโยมมองแล้วว่ามันไม่น่าจะทําอย่างนี้เจ้าค่ ะ, ะประเภทนี้เราเราจะควรจะทํำยังไงดีเจ้าค่ะ ก็คือให้มีเมตตามุญโกรรมันก็ยังต้องเมตตาอยู่นะจ้าค่ะใช่ใอันมาต้องยืนยันตามที่พระเจ้าตรัสไว้อะนะจุคาเพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนในหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยก็คือว่าต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนอยู่ด้วยความที่ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นภัยแต่เพราะนั้นถ้าท่านถึงแม้จะมีภรษามากแล้วถ้าไม่อยู่ในสีไม่อยู่ในร่องลอยๆก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกสอนถึงจะถูกต้อง หน้าที่<จ>ของครรว่าก็คือว่าอย่าให้สารนั้นเราเสื่อมนะมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจอย่างเงี้คยค่อยๆดีอยู่<จ>ทีนี้พอมาถึงเรื่อง<จ>คอยถวา ย, ยอมิสตทานเนี่ยถ้าเราไม่ศรัทธานในผู้นั้นเราก็ถวายน้อยๆก็ได้นะถ้าเราศรัทธาเราก็ถวายมากก็ได้เพราะฉะนั <S <S ้นถ้าเราเราไม่ศรัทธาเลยนะเราให้ทานไปเนี่ยเราก็ให้แบบน้อยๆคือคุณตือนใจให้ขอทานเท่าไหร่อะ ก็ประมาณไม่น่าจะเกินยี่บาทนะจ๊ะค่ะสิบาทยี่บาทประมาณนี้เท่านั้นเองหบาทด้วยซ้ำถ้ามีเศษห้าบาทนะก็แค่นี้เท่านั้นเองพระเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนขอทานเอาพูดง่ายๆเลยพระเจ้าบอกนี้อาชีพที่เลวซรามที่สุดเนี่ยคือการถือถือชามกระเบื้องแล้วก็เที่ยวขอว่าขอกินขอกินอืถามว่าพระต่างอะไรถือถือบาทเนี่ยบาทกระเบื้องนะหรือบาทเหล็กเดินไปขอกินเหมือนกันเลยแล้วถามว่าพระต่างอะไรกับความเป็นขอทาน ต่างที่ศีลไงต่างที่ศีไงถูกไหมต่างที่ศีล ต, ต, ต่างที่ข้อวัดปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราพระองค์ไหนไม่มีข้อวัดปฏิบัติไม่มีศีลเขาก็ไม่ได้เป็นเป็นพระที่ดีอะนะเพราะฉะนั้นถามว่าเราควรจะคอยถวายอมิสทานเนี่ยเราก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญไงเพราะนั้นอย่างครารว่าที่จะถวายอมิสทานเนี่ยเราก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญว่าอันนี้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเราก็าว ถ, าวาวถวายได้อันนี้เป็นเนื้อนาบุญที่ไม่ดีเราก็ให้เหมือนน้อน้อยหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยนะตามเนื้อนาบุญที่เราจะจะถวาย ตามศรัทธาของเรานะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะทีนี้สําหรับพระที่ไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเปรียบเหมือนกับภิกษุที่มีดาบหมกเอาไว้อยู่ในจีวรเนะียเพราะว่าบางทีเราดูข้างนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีแต่ว่าแม้ท่าทางห่มจีวรและธษรมะก็เหมือนกันอันนี้เราก็จะรู้ได้ถ้าใช้เวลาในการศึกษาใบะนะก็<ช>นะต้องใช้เวลาในการดูไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเรารู้ว่าองค์ไหนเป็นพระที่ดีแล้วเราก็ อสร้างบุญสร้างคุสล์ด้วยการให้ทานก็ได้ทั้งศาสน์ก็ได้ทำคำถามก็ได้เจ้าค่ะเรียกว่าเจอเนื้อนาบุญดีแล้วนะเจ้าค่ะออืดังนั้นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วละเจ้าค่ะเจ้าค่ะต่อไปหน้าที่ของสมณะนหน้าที่สมณะต่ออคารวาทนะก็มีอยู่หกอย่างนะมีหกอย่างนะไม่ใช่ห้าอย่างนะพระเจ้าแถมมาอีกอย่างหนึ่งาาอันแรก <พา S 1> ก็คือว่าห้ามเสียจากบาปนะสองให้ตั้งอยู่ในความดีนะนี้หน้าที่เหมือนมาดาบิดาเลยนะ ห้าห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีข้อที่สมก็คือว่าอนุเคราะห์ด้วยใจอัน ง, งามอนุเคราะห์ด้วยใจอัน ง, งามเนี่ยหมายความว่ า, าให้ให้มีจิตใจงามสมมุติว่าเขาเอาอาหารหรือเอาทานมาถวายพระอย่างเงี้ยอย่างถังสังกทานที่มันข้างในมันกินอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยนะเอามาถวายเนี่ยนะเราก็ต้องอนุเคราะห์ด้วยใจอัน ง, งามรับเอาไวา้ <Okay. S 2> คือถ้าเราจะไปรังเกียจทานที่ไม่ประนีตอยากได้แต่เฉพาะทานที่ประณีตเนี่ยพระนั้นก็ทําไม่ถูก นะเพราะาว่ามีจิตใจกำหนัดรุ่มหลงในสิ่งนั้นนะก็ให้อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามโดยการทีออ่อะไรก็รับไว้นะด้วยจะใช้ไม่ใช้คุณก็รับไว้ก่อนอย่างงี้นนะเจ้าค่ะข อ, องท<ป>ี่ไปดีก็ก็จะรับไว้นะเจ้าค่ะแล้วก็ไปพิจารณากันทีหลังถ้ามันสมควรแก่สมณจะบริโภคนะถ้ามันไม่สมควรอย่างเช่นทองและเงินอย่างเงี้ยก็จะก็จะเลือกที่จะไม่รับได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ข้อถัดไปเจ้าค่ะข้อถัดไปก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งสองข้อนี้มาด้วยกันอืมค่ะก็คืออย่างที่เรามาพูดในการธรรมะรับบุญเนี่ยให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วสุดท้ายก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งมีการอธิบายมีการถามตอบมีการเอาธรรมะมาให้ฟังอย่างนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายในเป็นการบอกทางสวรรค์ให้นะบอกทางสวรรค์ให้ในมีทั้งหมดหข้อทางไปสู่นิพพานนะเจ้าค่ะใชอย่างเช่นว่าพระสงฆ์อาจจะบอกบุญนะอ้าวําสิ่งนี้จะถ้าใคร สามารถร่วมก็มากันได้ก็เป็นการบอกทางสวรรค์เือนกันเพราะว่าให้ทานน่ะทานเป็นการสู่ไปสวรรค์นะเพราะฉะนั้นบอกทางสวรรค์ด้วยลักษณะนี้ถ้าถ้าท่านมีเจตนาอย่างนี้นะก็ถือว่าท่านทําหน้าที่ของท่านถูกต้องอยู่แล้วอืเจ้าค่ะทั้งหมดหกข้อนะเจ้าค่ะหกข้อใช่เจ้าค่ะเวลาจะหมดแล้วเจ้าจะเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์อภัยบุญได้เมตตาฝากแง่คิดทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เจ้าค่ะนาทีสุดท้ายเจ้าค่ะได้ว่าหน้าที่ของเราเนี่ย หน้าที่ทั้งหอย่างเนี่ยนะคุณเดินใจเป็นหน้าที่ที่สําคัญมากเลยเราอยู่กับมันทุกวันนะเราเราเจอพ่อแม่คนรอบข้างเพื่อนฝูงอะไรทุกวันเลยเพราะเราต้อ ง, องมีสติในการที่จะประคับประคองจิตของเราหน้าที่ของเราเนี่ยให้อยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีภยัยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความกลัวบ้างนะภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือความที่เป็นอันตรายบ้าง เราพิจารณาดูชีวิตของเราสิว่าบัด น, นี้มันมีภัยอะไรไหมมีอันตรายอะไรไหมเราไปแก้ตามแก้ตรงนั้นด้วยลักษณะหน้าที่ที่พระเจ้าบอกงนี้6อย่าง6ทิศในชีวิตเราจะมีถึงความเกษมเป็นชีวิตที่ไม่มีภัยเกิดขึ้นได้ค่ะเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับความรู้จากท่านพร ะ, พราะพอาจารย์พบุตรอภิปุโนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเรื่องของทิศ ท, ทั้ง6 ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ส่งชี้แนะสั่งสอนไว้นะคะซึ่งก็ร้วนแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นมงคลทั้งสิ้นถ้าท่านสามารถปฏิบัติให้ตรงตามหน้าที่ตามที่ท่านอยู่ทิศไหนก็ทำสู่อ่า อย่างที่พระอาจารย์ไพบูรลท่านได้เมตตาสักการมาแล้วในรายการธรรมารับปรุนเราหลายอาทิตย์ติดต่อกันมานะคะค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องนําท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบน้ำมัสการาพระอาจารย์ไพบูลอุพิุโนพร้อมเพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอา์ชิตโภศโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบน้มัสการและกราบขอพระคุณอย่างสูงเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาเรียนพานสาธุเจ้าค่ะ